ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟัง MP3 แผ่นที่57โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีคติธรรมก่อนฟัง MP3 แผ่นที่57ให้คติธรรมหัวข้อว่าไข้ควรก่อนแล้วจึงทา อันนี้คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านถือเป็นเรื่องที่ใหญ่มากก่อนที่เราจะคิดจะทําจะพูดสิ่งใดถ้าเป็นเรื่องใหญ่เราต้องไขควนทบทวนให้ทีถ้วนซะก่อนแล้วจึงค่อยคิดทําพูดในเรื่องนั้นนั้นอย่างพระบาลีของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้ว่านิสัมมะกระนังเสยโย ครควรซะก่อนแล้วค่อยทำโูดในเรื่องนั้นนันถ้าหากว่าเราไม่ได้ใค่ควรผลดีผลเสียที่จะตามมาไม่ใช่ผลดีผลดีมันอีกส่วนหนึ่งแต่ผลเสียที่จะตามมานั้นเราจะลำบากเพราะว่าเราครบหมู่พวกเพื่อนคบคู่คนแล้วก็พูดไป ทำไปโดยที่ไม่ได้คิดไม่ได้ใคร่ควรซะก่อนว่าเมื่อทําหรือพูดออกไปนี้ผลที่จะตามมานั้นจะเป็นผลอย่างไรการพูดทําไม่ดีพูดไม่ดีมันผิดกฎหมายบ้านเมืองอย่างนี้เป็นต้นก็จะทําให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะฉะนั้นการพูดในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าท่านถึงโทษประหาร โทษประหารถ้าพูดผิดคือพูดไม่ดีโทษประหารโทษประหารอย่างไรคือในธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อว่าในอาบัติหนักเรียกว่าปาราชิคมีอยู่สี่ข้อในสข้อนั้นมีข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติว่าภิกษุอวดอุตริมนุสธรรมคือทําอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนขาดจากการเป็นพระ นี่แหละอันนี้ก็คือการพูดไม่ใช่ธรรมดาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นขอให้พวกเราพุทธบริษัททุกหมู่เหล่าการที่จะทําการที่จะพูดสิ่งใดออกไปก็ขอให้พวกเราค่าควรไตรตรองด้วยเหตุและผลให้ถีท่วนซะก่อนจึงค่อยทําและพูดออกไปเมื่อเราค่าควร ทีท่วนแล้วถึงจะผิดพลาดไปก็ไม่ถึงกับผิดพลาดจนเสียหายก็จะปรับปรุงแก้ไขได้เพราะเราได้คิดทางออกไว้ก่อนแล้วแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้คิดให้ทีท่วนเราทําพูดออกไปเราจะได้รับในสิ่งที่มันผิดพลาดนั้นๆจนรับไม่ไหวเพราะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆท่านเพราะโลกปัจจุบันนี้ รู้สึกว่าเราได้รับรู้รับทราบมาทั้งสื่อต่างๆทั้งสื่อนอกทั้งสื่อในทั้งสื่อวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้โดยมากใครคิดได้อะไรก็เอาไปลงไปในเ c e บ o o k บ้างอะไร m อ3มซบ้่ง ทั้งอันไหนบ้างนี่มีมากมีหลายบ้างแล้เกินอินตโตนกอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้เพราะนั้นเวลาทำอะไรลงไปอยากจะให้คิดซะก่อนนิสัมมกัรนังไสยโยซะก่อนค่อยเอาลงถ้าเอาลงไปแบบไม่ได้รับผิดชอบในเมื่อเขาตามได้ไล่ทันแล้วตัวเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเรื่องไม่เป็นเรื่องก็จะเป็นเรื่องขึ้นมาผลที่สุดก็ ถูกปรับไหมใสายโทษที่ตัวเองได้กระทาลงไปเพราะนั้นขอฝากไว้กับคณะพุทธบริษัทสี่ทุกหมู่เหล่าด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้คุ้มครองขอให้พวกเราไปสบแต่ความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอขอให้สมหวัง ดังปรารถนาทุกทุกท่านทุกทุกคนด้วยเทิน